มาถึงวันนี้นะพวกเราศึกษาธรรมะกันได้ดีนะจำนวนมากเลยมาถึงขั้นของการเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาไม่ได้เนี่เราสู้กิเลสที่ละเอียดลึกซึ้งไม่ได้ลำพังศีลสมาธิเป็นของดนะีทิ้งไม่ได้แต่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก มีแต่เรื่องการเจริญปัญญาเรียนรู้ทุก์รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจอันนี้เป็นคำสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีอย่างหมอก็อาจจะเรียนเรื่องกายนะแต่ไปเรียนกายวิภาคเรียนอะไรกันไปไม่ใช่เรียนเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ ก็เรียนกันเหมือนกันเรียนกายเรียนคนละมุมเรียนเรื่องจิตใจอย่างจิตแพทย์หมอท็อปจิตแพทย์เรียนไม่ได้เรียนให้เห็นไตรลักษณ์วัตถุประสงค์ของการเรียนเรียนคนละอย่างกันเพนะกาะงันที่จะมาเจริญปัญญาจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยไม่มีในที่อื่นนะแมนก้กระทั่งศัตว์ในปัจจุบันก็ยังไม่มนะีอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรเรียน น, ะนีพวกเรา จำนวนมากเลยเวลาส่งกันบ้านจะได้ยินพวกเราพูดถึงการที่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ของตัวเองออกไปได้เป็นส่วนๆเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งบางคนก็ละเอียดขึ้นไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอะไรพวกนี้อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งแยกส่วนกัน พอแยกส่วนของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นกองๆคาว่ากองภาษาบาลีเรียกว่าขันขันก็คือเป็นกองกองเป็นส่วนๆนั่นเองนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นขันคือเป็นส่วนๆเป็นส่วนของร่างกายเป็นส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกเฉยๆเป็นส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วเป็นส่วนของความรับรู้ความรับรู้คือส่วนของจิต พอแยกออกเป็นส่วนๆแล้วเราจะเห็นความจริงว่าแต่ละส่วนนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ร่างกายเี็ของไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนอะไรนี้หนมะุนเวียนไปเรื่อยกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเนมีของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์นะ เป็นทุกทนอยู right ่ในภาวะอันใดนหนึ nine, right ่งไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องหายใจออกหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้ต้องหายใจเข้ากินอย่างเดียวไม่ได้ต้องขับถ่ายยืนเดินนั่งนอนอยู่อันใดอันหนึ่งอยู่ลําบากอยู่แล้วความทุกข์บีบคั้นต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆอย่างนั่งอยู่นะนั่งนานๆสังเกตให้ดีเราแอบเปลี่ยนอิริยาบถจะเป็นอิริยาบถเล็กๆ เช่นนั่งทางนี้เมือเ่อยใช่ไหมเราก็แอ บ, บขยับนิดหนึงนะ่งเรายังไม่ได้หลุดออกจากพื้นนะไม่ได้ขยับยังนั่งอยู่อย่างเดิมแต่ว่าขยับนี้ขยับยกไปโยกมานะเพราะอะไรเพราะความทุกข์นั้นมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นเลยเราคิดว่าร่างกายของเรานะี่ยังหนุ่มยังสาวยังดียังวิเศษเพราะเราล้าเลยที่จะตามรู้มันถ้าละไม่ล้าเลยเราจะเห็นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา นั่งอยู่ก็เจ็บก็ปวดนะต้องขยับเปลี่ยนอิเดียบทหนีความทุกข์ไปเป็นคลาวคลาวมีสติมีปัญญาดูลงไปอีกร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกบางคนเห็นมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเป็นส่วนหนึ่งของโลกไอสต่ายก็เห็นอันนี้ไอสต่ายบอกมนุษย์เป็นเศษธุลีของจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของโลกเล็กๆเกท่านั้นไม่มีนัยยะไม่มีความหมาย จะอยู่หรือจะตายไม่ทำให้โลกดีขึ้นหรือเลวลงนะไม่มีความหมายแต่ว่าความสำคัญผิดนึกว่ากูแน่กูหนึ่งกูใหญ่อะไรนี่คิดว่าเราเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอยากเป็นเจ้าโลกคามจริ ง, รงตัวเองเป็นคี้ฝุ่นขี้ผงนะนี่บางคนมองลงมานะเห็นเลยว่าตัวเองเป็นแค่เศษธุรีไม่มีนยยะอะไรนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุธาตุมารวมกันชั่วคราวไม่นานก็แตกสลาย คำว่าแตกสลายมารวมชั่วคราวไม่ใช่ว่าต้องรอจนตายไม่ใช่ตั้งแต่เกิดจนตายร่างกายเรานี้มีธาตุหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็แตกสลายอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบางคนก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นมันเป็นแค่ภาพหลวงตาไม่ใช่ตัวเราบางคนเห็นเป็นวัตถุเห็นเป็นก้อนธาตุเห็นอย่างไหนก็ได้ให้เห็นแล้วมัน รู้ว่ามันไม่ใช่เราให้รู้ลงไปในร่างกายร่างกายไม่มีตัวเราในส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่กายบ้างที่ใจบ้างความสุขกายความสุขใจมีอยู่เดี๋ยวก็สุขกายเดี๋ยวก็สุขใจนะเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็ทุกข์ใจสังเกตไปด้วยเราจะเห็นเลยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นของไม่เที่ยง อย่างเราหิวข้าวมีความทุกข์นะเราไปกินข้าวบำบัดทุกข์ปเดี๋ยวเดียวหิวอีกแล้วนะไม่นานไม่กี่ชั่วโมงเริ่มหิวอีกแล้วนะความทุกข์มันบีบคั้นอีกแล้วนะหรือวันนี้ไปขับถ่ายพรุ่งนี้ก็ต้องขับถ่ายอะไรอเงี้ยอยู่ไม่ได้ตลอดนะมันมันถ้าดูลงไปเรื่อยนะไม่ไม่ใช่ของดีของมิเศษนะความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นในกายก็อยู่ชั่วคราว นั่งให้สบายไปเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์และไม่สบายแล้วเนี่ยดูลงมาในกายนะจะเห็นเลยมีความสุขไปเดี๋ยวประดาวความสุขก็าหายไปกลายเป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยความสุขความทุกข์เองก็ไม่เที่ยงความสุขความทุกข์นั้นห้ามมันได้ไหมห้ามมันไม่ได้นั่งอยู่อยจะสั่งไม่ให้เมื่อยได้ไหมไม่ได้นะนั่งอยู่ร่างกายมันต้องถูกความทุกข์บีบคั้นนี่ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้นั่งยังไงก็เมื่อยนั่งก็อี้ตัวละแสนก็เมื่อยไม่ใช่ไม่เมื่อย เพราเราดูลงมาในร่างกายเห็นเลยความสุขในร่างกายมีอยู่ก็มีชั่วคราวนะความทุกข์เวลาเกิดขึ้นในร่างกายก็เกิดเป็นคราวๆเกิดเป็นคราวๆนะอย่างคนเจ็บหนักใกล้จะตายแล้วก็เจ็บเป็นคราวๆเหมือนกันนะพอตายแล้วความรู้สึกเจ็บทางกายนี้ก็หายไปเพราะนั้นมันชั่วคราวทั้งหมดเลยเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเป็นของชั่วคราวนะเวทนาที่เกิดขึ้นในจิต ก็เป็นของชั่วคราวความสุขทางใจก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ทางใจก็อยู่ชั่วคราวความเฉยๆทางใจก็อยู่ชั่วคราวทางใจมีเฉยๆด้วยไม่สุขไม่ทุกข์ทางกายมีสุขมีทุกข์อยู่ถ้าทุกข์มากก็รู้สึกว่าทุกข์ถ้าทุกข์น้อยลงก็รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นเรื่องของความรู้สึกสัมผัสนะนการเปรียบเทียบอย่างจิตใจก็เหมือนกันนะ อย่างจิตใจของเราทุกวันนี้เราก็บอกเรามีความสุขดีพอเราไปหัดเข้าฌานได้ปฐมฌานแล้วเราจะรู้สึกว่าปฐมฌานมีความสุขพอเราออกจากปฐมฌานกลับมาอยู่ในจิตใจธรรมดาที่เคยมีความสุขนี่แหละจะพราะว่ามันมีความทุกข์ละมันสุขมันทุกข์นี่เป็นสัมผัสอยู่นะเพราะจริงๆมันไม่มีสุขะมันสุขขึ้นมาด้วยความรู้สึกหลอกๆจริงๆมันทุกข์ ทุกมากกับทุกน้อยจิตใจขณะนี้เราบอกเรามีความสุขนะพอเรามีความสุขยิ่งกว่านี้แล้วเคยชินกับความสุขที่ยิ่งกว่านี้แล้วเช่นเราเข้าฌานได้เข้าปฐมฌานได้พอจิตออกจากปฐมฌานกลับมาอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าเคยสุขนะจะเห็นว่าทุกข์ละคนไหนอยู่กับปฐมฌานจนชินนะวันหนึ่งเข้าทุติยฌานฌานที่สองได้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณไม่ตรึกไม่ตรองในอารมณ์จิตสงบสบายโดยไม่ต้องไปผูกมัดอยู่กับตัวอารมณ์ รู้สึกว่าปลอดโปร่งจังไม่มีภาระนะไม่ต้องผูกมัดกับอารมณ์กรรมฐานตัวนิมิตนะไม่ต้องใช้สบายไม่ต้องตรึกต้องตรองพอออกจากทุติยฌานลงมาอยู่ในปฐมฌานต้องมาตรึกมาตรองในอารมณ์ใหม่จะรู้สึกว่าทุกข์ละนะเพะฉะนั้นความทุกข์นี่นะมันสัมผัสนะความสุขความทุกข์ในความจริงมันไม่มีตัวสุขจริง ม, มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะ ถ้าสติปัญญาแก่รอบขึ้นไปอีกนะจนไปเห็นนิพพานเข้าจะรู้ว่ากระทั่งในฌานที่8นะียังทุกข์อยู่อีกเนะฉั้นไม่มีอะไรในสามโลกธาตุนี้ที่ไม่มทุกข์เลยมีแต่ทุกข์ล้วนเลยนะถ้าไปเห็นนิพพานาแล้วจะรู้ว่าทุกอย่างนี้ทุกข์หมดเลยแต่ถ้ายังไม่เห็นนิพพานเราสบายที่สุดแค่ไหนเราก็รู้สึกตรงนั้นทุกข์ถ้าต่ํากว่ามาตรฐานที่เราเคยเป็นเคยได้เราก็รู้สึกว่าว่ามันทุกข์นะถ้ารู้สึกดีได้มาตรฐานก็ว่ามันสุข จริงมันไม่สุขจริงมันสุขเป็นภาพหลวงตาแต่เราไม่เห็นนะเราไม่เห็นเราเอาแค่แค่นี้ก่อนแค่ว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความเฉยๆก็ชั่วคราวหัดดูอย่างนี้ก่อนดูความไม่เที่ยงของมันไปนะ ด, ดูไปแต่วันหนึ่งปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นว่าที่ว่าสุขๆนั้นไม่มีจริงหรอกในสามโลกธาตุนี้นะทั้งกามาวจรภูมิอย่างเป็นคนเป็นสัต เป็นผีเปรตเป็นอสุรากายเป็นสันนรกอะไรนี้นี้เรียกว่ากรมมาวัชรภูมนะิหรืออยู่ในภูมิที่สองในรู ป, ปรภูมิเป็นพระพรหมที่มีร่างกายในภูมิที่สามเรียกอรูปภูมิเป็นพรมไม่มีร่างกายแตนะ่ถ้าใจสัมผัสนิ พ, พานแล้วจะรู้เลยว่ากระทั่งเป็นพรมไม่มีร่างกายนะก็ทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรเพราะยังมีจิตยังยึดจิตอยู่ยังมีภาระที่หยิบฉวยจิตอยู่ ตอนนี้เราไม่เห็นถึงขนาดนี้เพราะเรายังไม่คุ้นกับนิพพานแต่ไม่คุ้นนิพพานเราก็เอาแค่ว่าเห็นไหมความสุขทั้งหลายก็ชั่วคราวความทุกข์ทั้งหลายก็ชั่วคราวความรู้สึกเฉยเฉยทั้งหลายก็ชั่วคราวความสุขจะมาหรือความสุขจะไปความทุกข์จะมาหรือความทุกข์จะไปความเฉยเฉยจะมาหรือความเฉยเฉยจะไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เรียกว่านตตาเนี่ยเฝ้าดูไปความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขัง ความจริงของมันคือไตรลักษณ์เราหัดเจริญปัญญานะดูไปด้วยเริ่มแต่ร่างกายจนเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวมีตนขยับขึ้นมาเรียนรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในกายก็ไม่ใช่ตัวตนคือสั่งไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขงังความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขงังอนิจจังทุกขังอนัตตานะวนเวียนอยู่อย่างนี้ ดูกายดูเวทนาชํานานนะสังขารปุดขึ้นมาเช่นความปรุงดีปรุงชั่วจะศรัทธาเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นว่าตะกี้ไม่ได้ศรัทธาตอนนี้มีศรัทธาดูไปดูไปศรัทธาก็อยู่ชั่วคราวก็วาหายไปอีกแล้วศรัทนธะากลับกรอกเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีบางวันก็มีวิริยะนะขยันภาวนาบางวันก็ขี้เกียจเห็นไหมวิริยะก็ไม่เที่ยง สติล่ะบางวันก็มีสติดีบางวันสติไม่เกิดใช่ไหมสติก็ไม่เที่ยงสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะสั่งว่าอย่าหายไปก็ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่านัตตาสมาธิล่ะบางวันก็มีสมาธิบางวันก็ไม่มีสมาธิบางทีตอนเช้ามีสมาธิตอนสายฟุ้งซ่านไม่มีแต่ความไม่เที่ยงไม่ดูของจริงลงไปเรื่อยนะแต่ลักษณะแต่ละกษณะสิ่งที่ปรุงแต่งในจิตที่เรียกสังขารปรุงดีปรุงชั่วนะ มีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เราเรียนกรรมฐานเรียนให้เห็นความจริงอย่างนี้นะตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะเป็นธรรมชาติรู้อยู่ดีๆกลายเป็นเปลี่ยนหมดสภาพรู้นะไปทำธรรมชาติคิดขึ้นมานะเป็นสภาพไปคิดไปตรึกไปรองไปเสวยอารมณ์ไปหลงยินดีไปหลงยินร้าย เดี <necessary. S 2> okay. just, uh, ๋ยวก็เป็นจิตที่เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลเดี๋ยวเป็นจิตที่เป็นกลางๆางไม่ใช่กุศลอกุศลหมุนเวียนไปเรื่อยเลยเราสั่งไม่ได้สั่งจิตว่าห้ามชั่วห้ามไม่ได้สั่งจิตว่าจงดีตลอดดีไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เนี่ยการเจริญปัญญาเราดูลงในขันหานี่เองดูไปแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันนั้นล้วนจะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นี่อย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญานะถ้าเจริญปัญญาแก่รอบจริงไม่เห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆร่างกายนี้ก็ทุกข์นะเวทนาก็เป็นทุกข์นะความสุขไม่มีจริงความสุขเป็นภาพลวงตาจริงๆเป็นทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยทุกข์ล้วนๆสังขารปรุงขึ้นมาก็ทุกข์เป็นภาระแก่จิตใจนะก็เป็นทุกข์ตัวจิตเองก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยน สั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ไไดอุตส่าห์เข้าฌานจะมีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวหายไปอีกแล้วเนะี่ยมีแต่ของแปรปรวนไปได้ดูตรงไปในกายในใจนี่แหละใช้สติใช้ปัญญานะค้นคว้าพิจารณาซักฟอกมาลงในขันห้านี้เองนี่เรียกว่าการเดินปัญญาพอไหวไหมต้องเดินปัญญานะการเดินปัญญาเริ่มต้นหัดแยกธาตุแยกขันแยกขันเป็นส่วนๆอาจารย์มหาบัวสอนดีมากเลย ว่าท้าไม่ได้แยกาธาตุแยกขันธ์นั้ไม่ใช่เดินปัญญาหรอกนะงัการแยกาธาตุแยกขันธ์นี่เป็นเบื้องต้นที่จะไปเดินปัญญานะเบื้องกลางของการเดินปัญญาก็จะเห็นว่ า, าธาตุขันธ์นั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนพะอะเบื้องปลายปัญญาเกิดเองนะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคปัญญาเกิดเองไม่ต้องเจริญนะมันเจริญของมันเองลนะในขั้นอัตโนมัติพอปัญญาอัตโนมัติเกิดนะมันหยั่งซึ้งลงมาถึงจิตถึงใจจริงๆมันจะล้างกิเลสนะ พอไหวไหมไม่ไหวก็ต้องทำํำ <c oughs> ไม่ทําก็ต้องทุกข์เข้าใจไมืมไม่ได้ทําเพื่อใครทั้งสิ้นนะทําเพื่อจะได้วันหนึ่งคนทุกข์ได้เราทุกข์เพราะเราไปหยิบฉวยเอารูปนามขันห้าขึ้นมาเป็นตัวเราของเราไปหยิบฉวยเอาของที่เป็นทุกข์มาไว้กับตัวเองอะ่ะเหมือนเอางูเห่ามาเกอดไวอ้อ่ะจะมีความสุขหรือวันหนึ่งมันต้องกัดเราแน่นอนนะงั้นอย่างไรก็ต้องหาทางเอางูเห่านี้ไปทิ้งให้ได้ะ ต้องหาทางวางขันให้ได้เพราะมันตัวทุกข์อยากพ้นทุกข์ก็ต้องสู้เอาวางได้ด้วยสติด้วยปัญญานะมไม่ใช่อยู่ๆนึกจะวางก็วางสั่งให้วางได้ก็วางได้อันนั้นไม่ใช่ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่จิต ที่ได้รับการฝึก ฝ, กฝนอบรมดีแล้วด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั้นเข้าถึงมรรค น, นิพพานด้วยตัวของเขาเองนะเหมือนอย่างไม่มีใครสั่งต้นมะม่วงให้ออกลูกได้นะเราสร้างเงื่อนไขได้นะเอารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่ า, มาแมลงเลยเนะี้ยต้นมะม่วงเติบโตขึ้นไปนะถึงวันหนึ่งมะม่วงออกลูกของมันเองเราไปออกลูกแทนมะม่วงไม่ได้ถ้าเราออกลูกมามันก็เป็นลูกเราไม่ใช่ลูกมะม่วงใช่ไหมจิตนี้ก็เหมือนกัน สั่งให้บรรลุมรรคผลไม่ได้แต่เราสร้างเงื่อนไขได้เหมือนจะให้มาม่วงออกลูกนะไปลดน้ำปลนดินใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างนะเงี้ยนะให้จิตบรรลุมรรคผลนะแล้วก็เลี้ยงมันด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาค่อยฝึกนี่ทำยังไงเราจะสามารถเจริญปัญญาได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้ต้องหัดอยู่ๆมันไม่แยกหรอกต้องฝึกจิตให้ดีนะ จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งอยู่ไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้ฉนะั้นท่านถึงสอนไว้ในอภิธรรมสอนบอกสัมมาสมาธิคือความที่จิตตั้งมั่นหนึ่งสัมมาสมาธิความตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ปัญญาเริ่มต้นแต่แยกธาตุแยกขันไปงั้นสมาธิสําคัญมากสมาธิที่จะใช้แยกธาตุแยกขันนะเป็นสมาธิเฉพาะอีกนะมีในศาสนาพุทธนะสมาธิทั่วๆไปนะั้เป็นสมาธิสาธารณะนะั้นเกิดกับจิตทุกดวงหนะมามีสมาธิไหมมีแมวมีสมาธิไหมแมวจะจับนกมีสมาธิไหมนะจดจ่อเลยนะ เจ้าของก็จะตีหลังแล้วว่ามันจะไปจับนกแมวไม่รู้นะแมวจ้องแต่นกมีสมาธิไม่มีดูบอลโลกจิไม่ออกนอกฟุ้งซ่านรู้สึกไหมดูบอลโลกแล้วไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจตัวเองเลยตาลิปรีเต็มทีก็พยายามนะหาไม้มาถางไว้ดู <c oughs> บางคนดูอย่างเดียวไม่พอกลัวว่าตอนช็อตเด็ดจะหลับนะต้องอัดวีดีโอไว้ด้วย เอาไว้ดูเพื่อจะพลาดตอนช็อตเด็กถามมันสุขหรือมันทุกข์มันก็สุขอย่างโลกๆนะแต่ถ้าดูเป็นแล้วโอ้จิตมันกำลังมีโมหะอยู่จิตมันหลงออกนอกนะมันลืมกายลืมใจตัวเองถามว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเทียบกับมาตรฐานชาวโลกก็ไม่ใช่อากุศลหรอกแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติที่หวังมารผลนิพพานนะตรงนี้ยังเป็นอกุศลนะแต่เป็นอกุศลในชั้นละเอียด ชันะ้นเล็กใหญ่ก็คือจิตกําลังหลงอยูนะ่เนี่ยถ้าจิตหลงไปนะจิตไหลไปอย่างเวลาดูบอลโลกรู้สึกไหมจิตไหลไปดูในโทรทัศน์ที่จิตก็ไหลไปคิดใช่มบางทีจิตก็ถูกอารมณ์ครอบงําอินไปด้วยยิ่งไปเล่นทันันนะหัวใจจะวายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอินนะถ้าดูเฉยๆให้หลวงพ่อไปดูบอลโลกดูเฉยๆดูได้ไม่นานนะดูทําไมมาดูออกนอกเห็นได้สาระเลย เมื่อก่อนปู่ย่าตายายหลวงพ่อเคยสอนหลวงพ่อนะแล่เขาสอนแบบชาวบ้านนอะบอกจะไปดูมันทําไมลิเกละครสมัยน้นมันไม่ค่อยมีหนังอะไรให้ดูหรอกไปดูมันทําไมลิเกละครไม่เห็นมันมาดูเราเลยเราไปดูมันข้างเดียวเราอย่าไปดูมันเลยเนี่ยดูออกนอกงั้นถ้าจิตออกนอกนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองที่หลวงปู่โดนบอกอย่าให้จิตออกนอกอย่าให้จิตออกนอกไม่ได้แปลว่าให้เอาจิตไปไว้ข้างใน อย่าให้จิตออกนอกก็อย่าให้หลงไปตามอารมณ์ทางทวารทั้ง6กอย่าเอาจิตไปไว้ข้างในเนี่ยหลงไปทางทวารใจเรียกว่าออกนอกเหมือนกันอย่าไปหลงแล้วเพ่งความรู้สึกอยู่ข้างในแล้วประคองจิตเอาไว้ภายในอันนี้เรียกว่าออกนอกเหมือนกันคนือหลงไปทางทวารใจจิตที่ไม่ออกนอกให้จิตที่รู้ที่ตื่ น, ท, นที่เบิกบานนะก่อนที่จะไปเดินปัญญาแยกธาตุแ ย, ย ก, ยกขันได้ต้องมีจิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่ง ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนี่ยเป็นจิตฟุ้งซ่านผู้เพ่งเนี่ยเป็นจิตที่บังคับเอาไว้จิตจะนิ่งนิ่งทื่อๆงั้นสิ่งที่ผิดมี2กลุ่มเองจิตหลงไปนี่ย่อหย่อนไปตามใจกิเลสไปหลงฟุ้งไปอีกอันหนึ่งจิตตึงเครียดเกินไปบังคับไว้เพ่งเอาไว้งั้นที่ผิดก็มี2องอันตึงไปกับหย่อนไปหย่อนไปก็คือหลงตามกิเลสไปตึงไปก็คือบังคับจิตบังคับใจเอาไว้ให้นิ่งนินี่ตึงไป จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันอยู่ในทางสายกลางนะไม่ย่อหย่อนคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจในขณะเดียวกันไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจแค่รู้สึกกายแค่รู้สึกใจนะเนี่ยตัวนี้ต้องค่อยฝึกทํายังไงเราจะได้จิตชนิดนี้ขึ้นมาถ้าเราได้จิตชนิดนี้มาแล้วเราถึงเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันได้วิธีที่จะฝึกให้ได้จิตชนิดนี้มาต้องฝึกนะถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ต้องฝึก ถ้าหวังแค่ว่าจะมาปฏิบัติธรรมเพียงเพื่อจะอยู่สบายในโลกนะหันดูจิตดูใจดูไปทุกวันนะกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้อย่างนี้ก็พออยู่ได้แล้นะแต่ถ้าอยากได้มรกคผลนิพพานจริงๆต้องฝึกสติให้ว่องไวฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นฝึกปัญญานะให้รู้จักแยกแยะธาตุขันออกไปต้องฝึกทั้งสิ้นเลยนะวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไหมง่ายนิดเดียวไม่ใช่ให้บังคับจิต บังคับจิตนะจิตจะตั้งแบบแข็งกระด้างตึงเกินไปแล้วจะไม่ให้จิตไหลไปบังคับมากแล้วตึงแล้วไม่บังคับเลยก็หนีไปเลยเราเอาแค่ครึ่งครึ่งเบื้องต้นหาอารมณ์กรรมฐานชนิดหนึ่งขึ้นมาไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตก่อนจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้จะอยู่กับท้องพองยุบก็ได้อยู่กับการขยับมือทำจังหวะก็ได้เคยใช้กรรมฐานอะไรเอากรรมฐานนันนั้น นี่บางทีหลวงพ่อเคยสอนนะว่าสมถะกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์นะอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้บางคนมันคิดมากนะว่าดูรูปโปะได้ไหมดูแล้วสงบปล่าล่ะดูแล้วไม่สงบจริงนะเพราะเป็นอารมณ์อกุศลใชต้องเลือกนะเอาอารมณ์ที่ไม่ยั่วอกุศลไม่ใช่เลือกอารมณ์อะไรก็ได้แล้วก็ตามใจชอบไปเอาอารมณ์ที่ยั่วอกุศลขึ้นมานะงั้วเราเลือก ลมหายใจไม่ยั่วอกุศลพุทโธไม่ยั่วอกุศลดูท้องพองยุบไม่ยั่วอกุศลนะขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเตียนก็ไม่ยั่วอกุศลนะรู้อิริยาบทสี่อย่างสายจันท์แนบก็ไม่ยั่วอกุศลนะรู้เวทนาก็ไม่ยั่วอกุศลรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ไม่ยั่วอกุศลนะให้มีเครื่องอยู่ของจิตแม่หนึ่งก่อนนะจะเอาอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่ที่เราเคยฝึกกันก็จะเป็นเรื่องทางกาย เช่นรู้ลมหายใจนะรู้ท้องผ่องยุบขยับไม้ขยับมือบางคนใช้บริกรรมบริกรรมไม่ใช่กายเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่ไม่ใช่กายแต่บางคนก็อุตส่าห์เอาไปเนื่องด้วยกายเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใช่ไหมเอาพุโทโธไปเนื่องด้วยกายแล้วก็คอยรู้กายอย่างนี้ก็ใช้ได้จริงๆถามว่ารู้อะไรรู้กายเอาพุโทโธมาเป็นคอยกั้นไม่ให้จิตไปคิตเท่านั้นเองแต่มีไหมที่ใช้พุโทโธ อีกแบบหนึ่งพุโทโธแล้วรู้ทันจิตพุโทโธแล้วรู้ทันจิตคามบว่าเอาอะไรเป็นวิหารธรรมเอาจิตเป็นวิหารธรรมนะแต่ว่ามีเครื่องอยู่ของจิตเพื่อจะได้รู้จิตได้ชัดที่ว่าให้พุโทโธพุโทโธนะรู้กายบ้างรู้จิตบ้างบางคนพุโทโธพุโทโธแล้วจิตไหลไปแล้วรู้พุโทโธจิตไหลไปแล้วรู้เอาพุโทโธเป็นแค่เครื่องอยู่ตัวที่เรารู้จริงๆคือจิต อันนี้เอาจิตจิตเป็นวิหารธร ร, รมไม่ใช่เอาพุทธโธเป็นวิหารธรรมบางคนพุทธโธไปหายใจไปพุทธโธไปหายใจไปเอาอะไรเป็นวิหารธรรมเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะพุทธโธเป็นแค่ตัวช่วยนะเราคอยสังเกตไปเบื้องต้นให้พวกเราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะแต่ทำกรรมฐานไม่ใช่เพื่อเพ่งให้จิตนิ่งนะทำกรรมฐานเพื่อจะให้เห็นว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นของถูกรูจิต ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์กรรมฐานนั้นอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากยกตัวอย่างเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปเราจะเห็นว่าพุทโธเป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นมาพุทโธพุทโธเป็นสิ่งที่จิตคิดเช่นเดียวกับคําพูดอย่างอื่นๆนั่นเองคำว่าพุทโธก็เหมือนคําพูดเหมือนคําด่าบางคนด่าในใจก็ผุดขึ้นมาแบบเดียวกับที่พุทโธผุดขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูพุทโธอยู่ในสุดจับเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้นะ หรือบางคนพุโทโธพุโทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตก็เลยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้แม่ฝึกกรรมฐานฝึกสมถะชนิดนี้นะฝึกแล้วจะได้ตัวผู้รู้ผู้ดูหรือนั่งหายใจไปนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจสบายไม่ใช่หายใจเพื่อให้จิตนิ่งแต่หายใจเพื่อจะรู้ทันจิตหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่จิตส่งออกนอกแลนะไหลไปที่กายจิตส่งออกนอก จิตส่งออกนอกนี่ไหลได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะออกนอกหมดเลยนะถ้าไหลไปแล้วก็ออกนอกทางนั้นงั้นะเราดูลมหายใจอยู่จิตไหลไปที่ลมหายใจนี่จิตออกนอกเรารู้ทันจิตเชื่อถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะหรือหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดเป็นการหลงทางใจส่งออกนอกทางใจ จิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อไร Wayne, พวกเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนี่เราฝึกอย่างนี้บ่อยๆบางคนดูท้องพองยุบเป็นวิหารธรรมเห็นท้องพองท้องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องมีสติรู้ทันจิตจะตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาจิตจะไม่ลงไป น, นอนอยู่ที่ท้องจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดมีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปในโลกของความคิดและไม่ได้หนีไปที่ท้องคือกายแต่หนีไปอยู่ในโลกของความคิดนี่เรารู้ทันอีกจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อไรรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจิตส่งออกทางตะวันทั้ง6นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นเดี๋ยวก็หลงใหม่ นะเช่นพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งพุโทโธพุโทโธไปอีกก็หลงไปคิดอีกก็รู้สึกตัวได้อีกแวบหนึ่งตรงรู้สึกตัวแวบหนึ่งนะี่คือตอนที่รู้ว่าหลงนั่นแหละเมื่อไรขณะใดรู้ว่าหลงขณะนั้นไม่หลงนะขณะใ ด, ดหลงไปนะขณะนั้นไม่รู้นะคนละคนละวาระกันแล้นเราฝึกนะทํากรรมฐานขึ้นสักการหนึ่งก่อนไม่ใช่ทําเพื่อบังคับจิตให้สงบไม่ได้ทําเพื่อบังคับจิตให้นิ่ง แต่ทําไปเพื่อจะรู้ทันจิตจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ชเช่นบางทีก็ไหลไปคิดเรื่องอื่นนะพุโทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าหลงไปคิดแล้วนะหรือหายใจอยู่ก็หนีไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ก็รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้ว่าจิตหนีไปคิดไม่ต้องไปบริกรรมคิดหนออะไรก็ได้หรอกนะบริกรรมเป็นการสร้างภาระขึ้นมาแต่บางคนในเบื้องต้นจะบริกรรมก่อนก็ไม่เป็นไร บริกรรมเพื่อเตือนตัวเองสอนตัวเองว่าจิตหลงไปคิดแล้วนะต่อไปหัดรู้สภาวะที่จิตหลงไปคิดแล้วไม่ต้องบริกรรมนะจะเห็นสภาวะถ้าเห็นสภาวะแล้วไม่ต้องบริกรรมแนละ้วถ้าไม่เห็นสภาวะจะบริกรรมไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าให้หลงนานนะเราฝึกนะกรรมฐานเคยทําก็ทําแต่แล้วปรับวิธีนิดเดียวท่านเองแทนที่จะทําเพื่อให้จิตสงบนะมาเปลี่ยนให้จิตเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู เปลี่ยนเป้าหมายซะไม่ใช่ทำรู้ลมหายใจเพื่อเอาจิตให้สงบสบายเพลินอยู่กับลมหายใจอันนั้นเป็นสมถะธรรมดาธรรมดาเป็นการฝึกจิตให้มีสมาธิธรรมดามีแต่ความสุขความสงบความสบายเอาใหม่มาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิที่เรียกว่ารักขณูปนิชฌานนะส่วนที่ ไปเพ่งอารมณ์เพ่งลมหายใจเพ่งท้องอะไรเป็นสมาธิเรื่องว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถะล้วนๆเลยถ้าลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วขราวนี้ธาตุขันมันจะแยกจิตมันตั้งขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นร่างกายที่กำลังหายใจอยู่นั้นมันอยู่นอกๆ น, นะมันไม่ใช่จิตกายกับจิตแยกส่วนกันนี่แยกขันได้แล้วนั่งดู ก, กายมันหายใจไปเรื่อย นะดูไปสักพักหนึ่งความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายเออความปวดความเมื่อยไม่ใช่กายนะเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังแล้วก็ไม่ใช่จิตเพราะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่แยกได้3ขันแล้วพอมันปวดมากๆจิตทุรนทุรายขึ้นมาความวทุรนทุลายเกิดที่ไหนเกิดที่จิตไหมความทุรนทุลายไม่ได้เกิดที่กายความปวดเกิดที่กายความวทุรนทุลายก็มาโผล่ขึ้นที่จิตเป็นอีกขันหนึ่งความทุรนทุรายก็ไม่ใช่จิตเป็นสังขารขันนี่หัดแยกอย่างนี้นะ เนี่ยอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันจะแยกขันได้แต่ถ้าจิตเป็นผู้เพ่งรู้ลมหายใจแล้วจิตเป็นแนบอยู่กับลมมันจะไม่แยกธาตุแยกขันโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจเป็นก้อนเดียวอยู่กับลมหายใจไปดูท้องพองยุบจิตไปรวมอยู่ที่ท้องมันไม่แยกธาตุแยกขันไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้านี้ไม่แยกธาตุแยกขันถ้าจิตตั้งมั่นฝึก หัดคอยรู้นะทํากรรมฐานขึ้นอันหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ไม่บังคับไม่ห้ามไหลแค่ไหลแล้วรู้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เราฝึกรู้เราไม่ได้ฝึกบังคับนะพอเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วขันมันจะแยกตัวให้ดูเพราะขันมันแยกตัวให้ดูนี่เรียกว่าได้ปัญญาขั้นต้นแนละ้วนะเรียกว่าได้อะไรได้นามรูปปริชเฉ ท, ทยานนะเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งตัดนะจากนั้นค่อยดูไปรูปนามแตรล้านมีเหตุให้เกิดทั้งนั้นเลยนะ รู้ทันว่าแต่ละอันตระหนมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไ ม, มหตไม่เกิดหรอกนี้เรียกว่าปัจจยญปริกะหะยานต่อไปดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นไปทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราวนะเมื่อเช้าความรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้ความรู้สึกนี้ไม่เหมือนกันเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เหมือนกันโดยการเปรียบเทียบเป็นสมมาสาัญญา ต่อไปไม่ต้องเปรียบเทียบเห็นมันทนทุกอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละทุกอย่างที่ปุดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิน้นปุดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิน้นนี่อุทยพ ย, ายาัญานะวิปั ส, สนาเริ่มขึ้นตรงนี้นะวิปัษนาเริ่มขึ้นตรงที่พ้นจากโลกของความคิดได้นะค่อยฝึกนะสิ่งเหล่านี้มีขึ้นมาได้เพราะแยกธาตุแยกขันได้แยกธาตุแยกขันได้เพราะพัฒนาจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้พัฒนาจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เพราะรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะฝึกนะ แล้วก็เบื้องต้นเลยถือศีลไว้เราจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิสมาธิเลยมีสองส่วนสมาธิที่เพ่งอารมณ์ไปอยู่ที่ท้องอยู่ที่ลมและสงบกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิที่จิตตั้งมั่นนี่แหละเอาไว้เดินปัญญาสมาธิที่จิตรวมเข้ากับอารมณ์เอาไว้พักผ่อนนะมีประโยชน์ทั้งคู่แต่คนละแบบพอจเจริญปัญญาได้แก่รอบนะจิตรู้ความจริงของธาตุขันแล้วจะวางวิมุตต์ก็จะเกิดขึ้นน ะ, ะวันนี้เอาแค่วิมุตต์ก็พอนะ นิมนต์ท่านอาจารย์เลยครับนิมนต์ทุกองค์เลย